มันี้อะไรผิดแปลกแตกต่างกันอวัยวะของเราถือว่าเป็นผู้ชายแตเหมือนกันกันกบอวัยวะของเขาที่เป็นผู้หญิงมนนมีส่วนใดผิดแปกกันตัวหนังอันเดียวกันหนื้ออันเดียวกันแต่เราพอใจตามประมุขของโลกโดยในที่นี้ที่เรณานะธรรมะจึงไปเลื่อนเหลือ ง, องติดพวอกัมมันต์เพื่อเพลิน ดันั้นการทิ่าจรณาธรรมะเป็นเป็นเรื่องแก่ไขราค า, าตัญหาทิ่าจรณาลึกเข้าไปภายในใจเรื่อเห็นตามเป็นจริงยอมจำนนทำความทั้งวิทย์เจ้าเป็นของจริงอย่างนี้้ามาชำระสักสอบจิตใจที่เลื่อมโยง ขวานหนักวานเบาหรือตามเมื่อตามตัวมีอะไรสวยงามมีคุณค่าราคาพอขายได้่แต่ขวง่ขางหนึ่งถ้าไปถ่ายไปบ้างเลยเรียพวกเขาก็จะตัดตั้งใหม่สิ่งใดเพราะเป็นของปรตกมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเลือดเจ้ามือเหลืองมันหน้าแดงมันเวยมันงามถ้าตัด แขนตัดขาตัดคอเกือดได้เป right. right. ็นมากๆเอาไปเทเตจ่างผีนอนของเขาทพที่นั่งนของเราเกดีเราเต็มใจไหมถ้าหามันสวยมันงามเต็มใจดอกไม้สวยสวยงามเราเาไปตักกระดบชาและชอบดมถ้ามันมีกลิ่นหอมอันนี้มนีใครเต็มใจพอใจถ้าทั้งที่ทุกเล่นหย่งอยู่นั้นเหมือนกัน เราะู่พิจารณาภายในใจจึงโยมเหลืองอย่างนั้นให้พิจารณาหาทางสำนักจิตใจอย่าปล่อยใจตามเรื่งราคาตัญหาทุกคนเบียกมาเกี่ยฝึกฝึกฝนอบรมเต็ี่เต็มพื่อจะแก้ไขใจผิดผิดทกไม่ใช่เบีดมาเรื่องเบียดมาเพศิดพิจารณาหาทาง สอตั้ยดเมื่อฝึสอนอบรมตัว มีธรรมมีเนจตาตูนามีธรรมะในตัวเกินดนั่นคือมีธรรมะก็อยู่ในสถานที่ใดจึงหมายเป็นเรือนเป็นไทยจัดตาสิ่งตัวมนุษย์อยู่เป็นตัว บางทีมันยนีไปไหนแย่เหมือนกันหยกหางมันก็ได้จะไปข้าวมาเป็นอย่างไรการเหล่านั้นก็ต้องบิ่งดินดินหนีเดิเดือดเพระกลัวเกิอไปจนกลัวเพราะจิตของเขาไม่มีทางอาฆาต วันนี้ช่ว อาาศัยสติพออาศัยปัญญาทีิจีตรนาแสงสดมีขันติความอดทนมีเวยะความภาคเพียรจะบังคับบังชาจิตใจที่มีจีวะปัญหาให้ตกออกไปไม่อย่างนั้น ของมันนอกจากนั้นเป็นอาณาจารยไม่ตั้งมั่นเป็นอาณตจารย์บังคับบัญชาไม่ได้แล้วคนอื่นชาตอื่นมันจะมีอำนาจรันามาจากไหนมันเหมือนกันหมดแต่พี่เจนาดูคนนั้นไม่เข้าใจชาติเพนยังเหลืองไหลเกิดเพนติดข้ออ่ามันเสียบงงานแต่พี่เจนะดู ดีแม่ของมันแต่มันเป็นอย่างไรถ้ายังไม่แข็งไสที่ใจมาดูหยดดูใาญ่ข้งมันมันเป็นอย่างไรที่ใจมาถึงเียดถึงขนจิตใจแต่ยามจำนำเชื่อมากแลุ้ก ต้องเป็นแนวเดียวแถเดียวกันนี่คือการพิจารณาหากขันภายในติดจิตจิตควงสิ้งจิตขาดพิจารณาภายในแตทถ้านเยวกันใจของเราไม่ใช่ว่ามันจะควงสนพวงยาจะมีอยู่ทุกการทุกเวลาจะเสียไปทุกดันทุกสมัยมันรับได้ทังได้ ชอบกลับไม่ชอบคป็นสิ่เร้าดีกับตรงนี้จิตใจมันเป็นอย่างนี้แล้าไปเชื่อมันยิตใจตัวเป็นอย่างนั้นฝึกสอนอบรมมันเป็นจิตใจด้รับความสงบระงับเรื่อเห็นตามเป็นจิ ความเหวีพทิศพัด์คกันความเพียรพัทิาจารใจมันมีอยู่เป็นแสนมันมีสองมาสี่ว่าพ่อเมียหมาะปิดบังมีสติปัญญา ตาบอกไปแต่ทางคือใดไปแต่ไหน นักเบื่อปฏิบัติไม่ได้นักได้ผลนักเบื่อปฏิบัติม่รัความสงบจงัดไม่รัความหยาดเย็นใครล่าเขาจะมีโอกาสเวลาทำจิตทำใจของเขาเหร้ให้ไข่ใจให้เห็นให้เป็นในอดในทำได้เพราะเขาไมนมีโอกาสเวลามากมายเหมือนนักเบื่อหยุดการงานยเ อยู่ตลาดเวลาเวลาคนมึนเวลาคนแกเวลาคู่เท่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้ายังมีอิบัตปัรุนนโลกนี่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ปัสรุนมาแล้ต่เหมือนกันปุถมพทาง์มาแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ นีอะไรผิดแปลแบบตกต่างไม่มีถ้าพุทธเจ้ามาถึงธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรม่นดารแบ บ, แบบเสียงยาตุแบบแบบแ่มยาลดใจก็เลยสงบใจก็เลยสบาย่นหินวายกลางลมใจจะถามที่ใดกลางอาขาเถรใจจะถามที่ใดใจสงบดิน อย่าทำบำเพ็ญภาวนาเป็นตําน า, นาคีของนักเวทุกคนอย่าไปคิดว่าเป็นาที่ของคนอื่นถ้าเรามี <c oughs> ที่จะมาที่ปัญญา <c oughs> มั น, ม, นมีธรรมะในตัวไม่มีความสุขไม่เคยทุกข์แทเขาเร่ารอนอยู่ตลอดเวลา สถานที่ตัม้มลึกยกเยกหรือวัดเมื่อยไปเพราะใจอย่างนี้อาจมีมม ท, ท, ท, ทำเึื่องรวลรักษาเพื่ภาวนาสำราญจิตของตัวโอกาสเวลาหน้าสี่มือตัอม้มลึกวัดาราสิาทักหาอาศัยกลางวันหากร้อนจะมีเรื่องเราที่จะไปสูส่สิบดัง อยูมาำงานเราไม่ได้ทางานอะไรหนักหนาลบากยาเยินหยานั้นเพื่อิตใจจะได้เป็นลมาวนนาเรื่ลอดภไม่เ่นในเราเราดังยันขยัเรายังในใจใจพอใจทำแล้วไปทสิ่งนั้นมันจะร้ีดปัญหาได้ไ่มเป็นใจพอใจ คนว่าหนาเขามีใจดุมีใจดุเขาที่ทำได้หาอุบายต่างๆมาสอนตัวเนืเรามีอุบายมีปัญญาสอนตัวความเขียวต่างๆตีดเคยขัดข้องในจิตในใจตีดเคยจมจะหนเราไปเสียอารมณ์ปัญญาต่างๆมันจะตกไปหมดไปต่างใจบำเพ็ญ คุณงานความดีที่มีคุณึกนักเกียรตถวนั้นเป็นผู้มีโอกาสเป็นผู้มีโชคมีที่จะทีนี้พารณาสำรชีวิตส่วนาวอดเดินยากหนักยากหนาเปโอกาสเวลาเลยอำนวยให้เราทุกคนเป็นผู้โชคมีอย่าไปเลงไหลไปตางชีวิต เปนมันหามันไม่้นไปจากที่เด็ดปัญหาก็ครองแ้วมันตายไมต้องทำคือการทาความเพียรการชำระใจการแกกไข่ชุกหากมันจะพ้นประโยไปได้ก่อนข้อมัหลุดมนเพ่มเตียเพราะการยนได้ตายเกิดมันลำบากยากเย็นถาาคิดเป็น่างไร อดีตชาติที่ผ่านมาเป็นเหมนกันอนาคตที่จะตายจะเกิดต่อไปเป็นเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาแต่มันจะมีความสุขความสะดวกสบาย้าสําระมันได้หมดเพลิดหมดสับมันะสะดวกสบาย จะถะเขียนเขาจะเขียนเขาได้จะรู้จะเห็นภายในใจทั้งตนจะประโยชน์อะไรถึงจะไปเขียเสียเวลาสำหรับคนหนีหนาตามือให้มันดูมันได้ยินมกีหือมีตาที่จะตั้งออกจะมองเห็น เพานั้นทำจึงอยู่อย่างสะดวกสบายทางตายทางใจทัทง้งท่านทุกคนเมืออ่อหลังอยากจะมีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่าไปมองามเป็นองตอย่าเป็นสือ่อาภัพอาญาศสนาตั้งหน้าตังตาที่จะเนะามังหน้าตางัาตางตาทำความเพียรหยุดใจติดใระหีบเอะเหล่าต่างๆจะเห็นตัง จิตใจใจเฉงสัดข้อ ง, องจะจลงคว า, า, า, ามเงสจะยาาองในกัาต่างๆพระใจวิเห็นเป็นงในตัวธรรมะของตจทคน่เห็น่รู้จะทางุงคจะชเ ังเปเ็นท่จ้ารสาวว่าเป็นู้ฉลาดแหลมคมเหนือโลกในลึมแหลมติดของกับอะไรเพราะเห็นอย glaub, ู่ในตัวของตัวใจของตัวจิสุทธิอย่างไรพ่านผู้ใจ้าหรือสาววจิตมีมากกว่าสติมากกวเป็นอย่างเดียวกันระวังอดีต หรือแต่จินตังแลืออน า, ารคตเมื่อถึงความบรนสิ์จะเป็นอย่างไม่มีอะไรที่จะเลียยดเด้ยงใส่พยายมคิดผิดมาพยายามศิกษาพยอยามถาเขียนหน้าผีของปีศาจมาเนยนหน้าผีของนักเดือดจะเคิดรงสิงนี้นนสิ่ง น, นี้จะเป็นของมือคุนแค่ ปาธรนมะที่จะท่องร่ายสายสัตายใจทั้งสดถ้าไปเห็น่อืยย่นเป็นพะดีนี้เป็นป่าธรรมะควรนันแหละเป็นคนที่จะไมมีตาละในตัวเป็นคนที่จะตกนรกถ้าเป็นหาายนเย็นสงบไม่ด้พยายามคิิดใจมาพอายามศึกษาพยายา ดูจิตใจทั้งตนอย่าไปดูสิ่งอืน่นแล้วสิ่งอืน่นมันไม่ให้สุขให้ทุกข์นอกจากจิตจากใจเท่านั้นที่สุขที่ทุกข์บ้างาาสีญาณภายในกจัดปัจจัยออกไปสิ่งที่มันเป็นทิศเป็นไทยเชื่ใหล้ลุมเหวเ่เทลมใช่จ้า ตาวกเล่อใจติดตะกุตปฏิบัติตายใจท่านทำอย่างนี้ใจท่าน่านจึงได้รู้จิเราจะอาภัพอาญาศสนาเป็นโมฆะสาหรับเราคนเดียวไม่มี้างาเรานำมาี่ทธเจ้าทำมาของพระพุทธเจ้าจะเป็นของมีคุณค่าจะเป็นเกียสติชำระักตอจิตใจ ธรรมะแล้วเกี่ยวข้องกับเตล์เตียจะได้ความสุ่ความสมายอยากจะได้ความพ้นจากที่เละจากเจ็บนึบยืมมุดที่สุดของครรอยากไปคิดตไปหวังพยายามท่กเพียงพยายามอดทนพยายามติดผลเปล่ยนจิตใจ เหนื่อยล้าวิสัยทุกคนตัง้ ง, ตงใจที่นี้ที่จตั้งใจที้ล่ า, ฐ า, ฐาสารจิตใจิดใจติดใยติดใจติดข้องใจสมองต่างๆจะหายจากความติดใจมาสงหายจากความใมงเกิดแผ่ใสหายจากความติดข้องของใจมีความสุขอยู่ภายใน ตลอดต่างธรมของพรจ้าเป็นขอเแต่เศษยุ่ยเศอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงนไปที่นินาศึกษาและตงหน้าตงตาผักเยียมพิริยาทีเราเมื่อหลังก็จะเป็สมบัติของเราเนืสงตามพิบ่าธรรมขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญตามพิบ่าธรรม เป็นแบบการทีงง่เป่นเวลาเ่ง